การฟงธรรมะทุกท่านเคยได้กระับเราฟังมาพอสมควรธรรมะหร่อเราได้ยินได้ฟังเป็นธรรมะสัญญาคือเกิดจากการกรดับเราฟังมาในใจธรรมะของเราฉะนั้นจึงควรปฏิบัติให้ธรรมะ เป็นของของเราอยากจะเก็บเอาคำพูดจากปากคำของครูอาจารย์หรือตำ บ, บัดตำลามาเป็นของของตัว <c oughs> ให้เกิดขึ้นเป็นขึ้นเห็นขึ้ น, นจากการกปฏิบัติของตนคีม <c oughs> เป็นอย่างไรสมาธิปัญญาวิชายมุตเป็นอย่างไรให้เกิดขึ้นจากจิตจากใจของตัวเองจึงจะเป็นสมบัติของตัวเอง สิ่งที่เป็นสมบัติของตัวเองนั้นช่ไม่หมดและมีคุณค่าแต่รับประโยชน์ยืว่าของที่หยุดยืมมาจากคนอื่นซึ่งไม่ต้องตส่งคืนให้เขาเรามีเท่าไรถ้าเป็นสมบัติของเราจริงจังสิ่งนั้นได้รับความเย็นใจสบายใจการะประิบัตปฏิบัติแก่ไขจิตใจนี้ โดยเใหญ่คืออาจารย์ฟี่นาศาสตรนามาตลอดถึงเบบพ้ไซจ้าแข่งขาอาศัยการปฏิบัติตัวของท่านเองและอยู่ในที่ต่งังๆที่ได้มันทีนีดที่จะเลาา่านะจิตใจของคนทุกระยะทุกเวลารักษาอารมณ์ภายนอกและอารมณ์ภายในไม่ให้ก่อควร ยิ่งเย็นจิตใจเหมือนที่นี่พเจานาชำระสาะสงจิตใจของตนให้สะอาดบริสุทธิ์เยือกเย็นสงบนี่ทางปฏิบัติของท่านพวกเราเึงเขาไห่นามว่านักปฏิบัติเม่อทราบจากพระพุทธเจ้าหรือครูอาจารย์ท่านปฏิบัติ ได้อาจทำมาแบบไหนก็พึงพากันสนใจและลงมือปฏิบัติเพราะทำไม่ใช่จะเกิดขึ้นจากที่อื่นเกิดขึ้นจากตัวของเราเองอะธรรมก็ไม่ใช่เกิดขึ้นจากที่อื่นเกิดขึ้นจากตัวเหมือนกันเลี้ยงมั้งและผลมีอยู่ในตัวของเราสมบูรณ์ แต่เพ่าว่าเราความคิดที่นี้ทีจ ะ, ะนาร์หาเศียรเหล่านั้นยังไม่เจอสิ่งเหล่านั้นยังไม่โคขึ้นพอเรายังทํายังไม่ถึงเหมือนกันกับเราขุดบ่อน้ําพอขุดไปนิดหน่อยในเจอน้ํากดถอยเสียสงสยัยว่าขุดที่ใหม่ขุดอีกรอบไปเพียงถุดสอบเน็ดไม่เห็นน้ํา ก็เลยใส่เชียกแ้ขุดที่ใหม่ขุดทั่วแผ่นดินก็ไม่เจน้ำแต่น้ำมันอยู่ในแผ่นดินถ้าขุดกันจริงจังน้ำจะไหลออกมาจะเป็นที่สูงที่ต่ำก็คุดได้ทางนั้นถ้าคุดลงเล้กจริงจังและจะเจน้ำนี่ไม่ ใ, ใส่รหัสนะของพวกเราทุกท่าน แล้วก็ไม่ทราบว่าวาทศนะบาลาีที่เลาเคก่อหลางสั่งมาเป็นอย่างไรการปฏิบัติลำบากนิดหน่นนนนอยคอยจะจะถอยหลังว่าทศนะบาลานีของเราไม่มีทำแบบนี้ไม่ถูกจะหลิดนิดสยเลยเกิดสงสัยตัวเองทำแบบหลวบๆคลำๆไม่ทำจริงทำจังนับผลที่มีอยู่ก็เลยโผล่ขึ้น ไม่เห็นไม่เต็มในตัวของตัวหมดเป็นอย่างนั้นก็ เ, เลยเกิดสงสัยว่าเรานี้หมดวศาสนาบาราเรามีหรือไมอย่างนั้นก็จะไปดูหมิน่นหมิ่นพาว่าศาสนาลวงมาขนาดนี้มรรคผลไม่มีแน่เราปฏิบัติไ่ทุกแน่ทุก ม, มุมทุกเหวี่ยทุกแห่งจิตใจก็ยังไม่เห็นดีวิเิดอะไรมีความสงสัยข้องใจความผ่องใจมักอยากเกิดขึ้น เมื่อเกิดขึ้นแล้วปัญญาที่จะแก้ไขตัวเองไม่มีจะเลยเสื่อมไปเสียไปไม่มีศรัทธาทำเชื่อมั่นจะปฏิบัติให้อาจธรรมเกิดขึ้นในตัวเพราะเรื่องที่เรศ <c oughs> ต่างๆมันพักดันออกไปถ้าทำกันจริงจังเมื่อมันเกิดความสงสัยลังเล ทงใจว่าทําขนาดนี้ไม่ได้ไม่ถึงไม่เห็นไม่เช่นละมั่งฝนมันจะอยู่ในที่ใดเมื่อมีความสงสัยอย่างนั้นตั้งใจทํำจริงจังจะบริสัมบริรัมจนขี่ยึดในยอมให้จิตจิตปรุออกไปทางนอกเอาให้สงบยังไม่สงบเมื่อใดในยอม ตายไจะถวายบูชาพระราชนาใจโม่งมั่นอย่างนั้นเราทำแบบนั้นจิตจะสุ่งจึงไปทางนอกไม่ยอมให้สุ่งจึงไปจิตคิดคิดพุ่งจึงไปทางนอกโดยส่วนใหญ่พวกเราทำภาวนาพอจิตกะสับกะสาย ใเรียงรวมให้ใจในสงบมาจากฟุ่งๆแต่เมื่อเกิดเวทนาหนักเขา้าความรัวตายมันมีเกียดนั่นปวดนี้นั่งเหมือนนั่งกองไฟไม่เหมือนนั่งบนตายหอกไปดับเวลาเวทน า, ากเกิดขึ้นจะส่งจิตไปคิดปรุงเรื่องนอกไม่ไส พอมันกลัวตายมันเสียดายขาดขันจิตมันยึดมั่นเรืนอาดขันมากเพลเซนถ้าหากยอมเสียสละนะตายก็ให้มันตายไปอะไรมันตายให้มันตายไปอะไรเหลืออยู่อันนั้นแหละจะเป็นสมบัติของเราวิลาจะรู้ถ้าหาถูกจิตมัน่นและทํากันจริงจังอย่างนี้ยอมเสียสละที่ยึยดจริงจัง อาจทำคำสอนของพระพุทธเจ้าถึงเราเคยสงสัยว่าเราไม่มีวัดชนาหรือบารานีของเรายังไม่แก่ฟ้าเพียงพอจะเห็นกันตอนนั้นแหละเราไม่ตายจะเห็นทำถี่เนื้อตายเกิดขึ้นพอเราเสียสละตายมันจะเป็นมาหนักขนาดไหนสู้กันพี่เจรณากันจิตเหนื่รวมกว่าจะเกิดรู้ อย่างการปล่อยวางเลยนาหรือจิตรวมขาดไม่ยึดขาดขันก็จะสร้าบมีวิธีปฏิบัติที่จะเห็นเห็นอาจทำเปลี่ยนแจ้งภายในใจมาอย่างนั้นเกิดช่องใสเกิดวังเลยถ้าหากคนยึดรวมง่ายนั่นก็อีกอย่างคือพอทําทําไปนิดหน่อยจิตยึรวมให้ได้รับความสว่างสวายได้รับความเยือกเย็น มีสุดที่มันง่ายแต่สุดที่มันลำบากต้องสู้ตายในเนื้อจากตายไปจะเห็นถ้าเรายอมเสียสละการปฏรรริทิรทมทาหากเห็นเป็นจริงภายในตัวแล้วความเชื่อมันเชื่อจริงๆไม่ยอมถอนไปตามลมปากของคนอื่น เขาจะว่าเป็นอย่างไรนั่นเป็นเรื่องของเขาเราเป็นอย่างไรประจักษ์อยู่ในใจของเราแบทความสุขความสบายของการที่รู้อาจเห็นทำมันสบายมากอยู่เงียบเงียบอยู่เฉยเฉยไม่ได้เกียวขอว้องกังวลกับเรื่องอะไระะมีแต่ที่เจรนาธรรมะที่เปิดดับเกิดดับอยู่นัน มันสบายเขียนที่ไปยุ่งเกี่ยวกับการ ง, งานด้านนอกกับผู้คนทายนอกมันลำคามพะโลกมันมีสมมุติจะต้องทำแบบนั้นจะต้องทำแบบนี้เลยลำบากลำคามเบื่อสมมุติเบื่อโลกแต่อยู่ในตัวของตัวมันสบายทำให้ตัว สบายแล้วโล่มันก็สบายถ้าใจ ว, วุ่นวายแล้วโล่มันก็วุ่นวายไปหมดสิ่งอื่ น, นแต่สีสาาระสถานที่มันเงียบสง บ, บแบบใจจิตมันก็ุ่งงจงจิตนึกในมีม้ทามสงบในมีม้ทามสบายนีไปจิตวุ่นวายจิตติดข้องกับอารมณ์ฉะนั้นจงําจัดที่นี้พิจารณาหาทางรักษาจิต มเหรอวะไม่เ ห, เหตุปลุงออกไปสูเ่นน เ, รนนเรื่องนอกเรื่องนอกเราเคยไนคิดเกี่ยวข้องมาเป็นเวลาหลายปีคุณความดีอะไรเกิดขึ้นจากการไม่คิดติดตามอารมณ์มีไหมนอกจากทำดีใจเสียใจเศร้ามอง่องใสงตาม เ, เรื่อสัญญาอารมณ์ต่างๆมันไมนมีอะไรดีเด่นเป็นธรรมให้ เวลานี้เรามาฝึกจิตสึกใจจะต่างๆหวงห้ามไม่ให้อารมณ์ส่วนนั้นเข้ามาเกี่ยวข้องกับจิตใจของเราเราจะกําหนดบทพุทโธต่อกาหนดอยู่นั้นเป็นจิตเป็นพุทเป็นโธจริงๆเราจะกําหนดเรื่องกระดูกหรืเมื่อหนังที่ไหนต่อําหนดอยู่นั้นเพื่อให้มัน รู้มันเห็นตามเป็นจริงจิตที่จะต่อยวางสมมติได้ก็ต้องอาศัยปัญญาที่นิยสเจรนาเรื่องจิตรู้เห็นเป็นจริ ง, รรงยอมจำนนแล้วสิ่งทั่วไปเป็นอย่างไรเห็นตามเป็นจริงแล้วทำเป็นจริงส่วนนั้นซึ่งเป็นสมมุติเราก็รู้จิงที่มันเกี่ยวข้องกับสมมติความบริสุทธิ์เราต้รู้มันจะหมดเรื่องการปฏิบัติ จ, จิตใจมีทางสิ้นสุดได้ มีวามสว่างสวัยมีซ้มเบาสบายในเหมือนงานทางโลกงานทางโลกมันไม่มีวันจบสิ้นเกิดงานนี้มีงานใหม่แต่งานทางจิตทางใจมีเวลาที่จะจบจะสิ้นจบอย่างไรเราจะาจาาทราบจากการปฏิบัติของตัวเองเพราะทำเป็นสันทิปติโคเห็นเอง มันหยุ่มมันเลัเราก็เห็นมันละมันขอนเราก็เห็นมันปล่อยมันวางอะไรเราก็เห็นเป็นจิตเป็นมีมุตเราก็เห็นอีกเป็นอย่างไรเป็นมีมุตความส ง, งบสุกที่เราเข้าที่ได้หรือทางตลอดตลอว่าสมาธิสมา บ, บัติเราเคยผ่านมา สงบขนาดไหนเป็นอย่างไรเราก็ทราบแต่จิตมันขาดจากสมมติเรือยังเรือยังจิตในความสงบสว่างสวยความจุ ท, ทางใจอยู่แล้วทราบมาทางนั้นเมื่อจิตพ้นจากโลกเป็นอย่างไรอันนั้นมันเะมีทางสงสอีกเหมือนกันว่าจิตนี้ไม่อยู่ในขอบเขตของสม ม, มติ ท่านจป็เรียกเีมุดจิตนี้ในอยู่ในวงของโลกเหนือโลกท่านเป็เรียกโลกุตระทราบทุกคนไปเถึงจะพูดให้รู้ให้พอใจไม่ได้ท่านกา็ทราบในรายจิตของท่านในตัวของท่านและเมื่อท่านเป็นอย่างนั้นอยากอะไรมันจะมีอาการอยากของใจของจิต เพเหือยใดเพราะมันอิ่มพอเมืองพอดีอยู่ที่จิตก็ลิสุดเมืองพอดีอยู่ที่ริมวัดความหลุดจากโลกไปเป็นจิตพอดีอยู่ทุกระยะทุกเวลาไม่ต้องเข้าไม่ต้องออกไม่ต้องหาอะไรมาเพิ่มเติมมันสุกพอเหมาะพอควรทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเห็นเด่นอยู่อย่างนั้น เรื่องการปฏิบัติไปข้างหน้าจะปฏิบัติหาอะไรจะได้อะไรอีกขอทราบว่าไม่มีอะไราำบริสุทธิ์าำเป็นดีมดเพียงแข่นี้จะปฏิบัติไปอีกทีว่าจีพันทีจะให้นั้นดีเด่นขึียงแต่นี้ไม่มีอีกได้จีเส่วนนี้จะไปเสื่อมไปเสียกับเรื่องอะไรอีกท่อนขอทราบ ในไม่มีการเสื่อมการเสียใจเหตุใ ด, ดย่ยเล่าท่านซึ่งเดินจงกรมภาวานาหาที่สงบนั่นเป็นวิหารธรรมสำหรับท่านที่จะอยู่ในเนื้นในผ่านในขันจะต้องรักษาท่านรู้จักในตัวของท่านเองอย่างพระพุทธเจ้าท่านถึงดีมุดถึงที่สุดของอัตธรรมท่านก็ยังมีการ นั่งภาวนาเดินโยกอมยังสรรเสริญถืสมมติมีอย่างไรท่านก็ใช้ไปตามเรื่องของสมมติความบริสุทธิ์เป็นอย่างไรไปจากในท่าไทยของพระองค์พวกเราก็ไม่มีขีดท่านอีกเหมือนกันถ้าหากเขาที่แบบอย่างท่านเห็นอย่างท่านก็ทราบว่าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรอรหันต์อรหันต์เป็นอย่างไรแต่ทับในจิตในใจเอง ไม่ต้องไปงตังวลสงสยัยถ้าหาก็อเพื่อปฏิบัติไปถึงจุดที่จุดจริงจั ง, จงหมดปัญหาทั่วไปแต่ทางที่จะเป็นไปได้ียงความบริสุทธิ์มีมุนิพาอย่างนั้นก็อาศัยพวกเราท่านถึกอบรมทืนิส ท, ที่จะมารักษาตายราจาใจของตนมันค้นคิด ติดต่อจิตใจจิตคล่องอะไรสงสัยอะไรที่พิจพานะแยบแยดดูให้รู้ให้พอใจรู้เห็นตามเป็นจริงในสิงน่งนั้นนั้นจิตมันก็จะต้องวางต้องสล่อยที่มันไม่เห็นตามเป็นจริงมันเกิดสงสัยต่อนที่นิพพาณาอะไรมันต้ำขาดกับใจที่นิพาอยู่นั้นจะมีวันมีเวลาที่มันจะ หายแทงใส่งที่จิตใจในเป็นในเห็นในรู้อย่างนั้นนอกจากในคิดส่งออกนอกคิดอย่างนั้นหนึ่งอย่างนี้ในเวลานั่งเวลาเดินเวลาใดก็ตามจิตในวกเข้ามาภายในในเป็นโอปานายโกธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นโอปานายโกน้อมเข้ามาเห็นอะไรน้อมเข้ามาแนะนจิตของตัว ใหรู้เห็นเด่นชัดในสิ่งหนันนั้นแล้วจะไม่มีวันสงสัยเมื่อมันเห็นตามเป็นจริงเด่นชัดในสิ่งหนันนั้นมันวางเองปล่อยเองหยุดที่เกิดสงสัยเกิดลาข้าตัญหาเกิดตำหนักยินดีเจิชานอยากไดา้พาะจุดมีความสงสัยพอหจุดไม่เห็นสิ่งนั้นเด่นชัด ตามเป็นจริงไดเง้เกิดกนนังเกิดยินดีเกิดยากนะถึงเรียกว่าราคาทานกำลังปัญหาการอยากเกิดขึ้นในใจราคาปัญหาในใจใครนำความสุขมาให้สำหรับผู้ปฏิบัติอัจทำมีมากเท่าไรก็จะแฉลบเขา จิตใจให้เดือดร้อนวุ่นวายเท่านั้นจะให้ดับให้พอเพราะเรื่องจิตปรุงปรุงไปในด้านเหล่านั้นไม่มีคิดทะเลาะยุ่งยุ่งคิดทอเรายุ่งเดือดร้อนยุ่งแผะเผายิ่งเพทมมัวเมาในเรื่องเหล่านั้นทางที่จะปฏิบัติจิตใจให้แจ้ไขละถอนเรื่องเหล่านี้ตอนหลับตําราฤครูอาจารย์ท่านเคยสอน เมื่อจิตของเราอวมสงบสงัดมีพื้นฐานพอสมควรก็ให้ที่เรนาที่เจรนาใจให้แยกทายลงไปถือมันเกิดันัดพอใจมันสนัดเพราะอะไรเป็นเรื่องของกายเรือ่องของใจแน่นอนเรือ่องของใจทือสมมติว่าหญิงชายมีอะไรซึ่งเป็นหน้ายินดีพอใจ เราขาดอะไรสิ่งที่เราจะนหนัดยินดีอะไรตัวของเรามีหรือไม่สิท่ที่วัตถุเจนนาหนังเนื้เย็นอกระดูกมีเหมือนกันหรือไมทั้งเราทั้งเขาเราทิ้งเรานี้มันใครทุกข์ใครทุกข์อย่างไรเมื่อมีสิ่งเหล่านี้นเร า, า, าจะทราบ แสิ่งเหลา่านี้มันไม่มีความสุกอะไรใครยึดถือคนนั้นเป็นทุกข์เป็นบอ่อเกิดของโอทยัทยไข่เจ็บต่างๆและสิ่งเหล่านั้นเฉยๆงอ่งงามหรือไม่ลุ่ยหไหลออกไปทางชั้ววานต่างๆเป็นอย่างไรนี่เป็นทางที่พิณิชัทยทางที่ณิชย์เจริญนาไข่จิตรู้เห็นเดือดในเดือดของลูก มื่เห็นเดินเข้าไปว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีอะไรเราสมมติว่าหญิงว่าชายว่าแข็งว่าขาว่าหน้าว่าตาว่าอวัยวะต่างๆนั่นเป็นเรื่องสมมติเขาได้รู้อะไรทั้งนั้นแต่เราสมมติเราเขียนแล้วเราก็เลยอ่านของตัวนี้ออกเลยไปหลงสมมติม่ใจเราไรู้เรารู้หรแล้วาหลง หล้หรืรู้ทั้งหลงทั้งรู้ม่ยจะรู้แจ้งที่พระพุทธเจ้าแนะสอ น, บบนรู้แบบลงหลงรู้อยู่แต่มันหลงอยู่ถต่มันรู้จริงมันไม่หลงสมมติมเป็นสมมติจริงจริงมดเป็นอย่างไรก็ไม่มีการต้องใส่แล้วจริงที่เจรณาให้มันคีบท่วน ให้มันเข้าใจเมื่อเข้าใจเรื่องของรูปสมบูรณ์อรูปอันนี้ถ้าแปลว่าธาตุทั้งสี่รวมกันเข้าเขาเลยรู้จักว่าเขาเป็นอะไรเป็นแต่จิตไปลุ่มหลงไปสมมดขึ้นแล้วอะไรมันกันหนักยินดีมันอยากได้ในสิ่งเหล่านี้กวาจะไปเห็นเรื่องของจิต ทำลายลูกออกไฟเราจะไปเห็นยบเหืองของจิตจิตไป็นจิตของยินดีจิตมันได้อะไรจากเรื่องเหล่านี้นอกจากความวุ่นวายจังวงนมันมีความสุขความสบายอะไรจากเรื่งลูกเสียงเหล่านี้มันชี้เจนาทีถ่วนกระจากคัดเกณฑมันจะต่อยเรื่องของลูก เขาปเปิดพิจรณาเรื่องของจิตจคือจิตเป็นปุ่งต่างๆสติส้นปัญญาคมรู้จักทุกขณะทุกเวลาจิตปุตงแทบเมื่อไรทันเมื่อนั้นเรื่องของรูปจะใสความไปใสอีกมันก็ไปใสถ้ามันพิจรารณาหยาทคายเจนปล่อยวางเห็นเรื่องของจิตจคืตใจจิตคล่อง เรื่องสำคัญเกี่ยวทเรื่องกายแล้วมันจะพิจารณาเรื่องของจิตพิจานาอยู่นั้นอะไรมันสัมผัสเรื่องของจิตพิจารนาเรื่อยไปเป็นที่สุดจิตจะคิขดขณะของมันในเกี่ยวข้อเรื่องอะไรอีก มีที่สําคัญพวกเราท่านจะต้องปฏิบัติเด็กตนจะต้องปฏิบัติให้จิตของตนได้รับความสงบสงัดพอได้รับความสงบสงัดจะต้องพิจารณาเรื่องตายเรื่องธาดุขันเพราะที่ตั้งสำคัญขอความหลงคอเรื่องธาดุขันถ้าหลงกว่าเราเราก็ไปหลงเขา่าทำลาย คือว่าเราอะไรเป็นเป็นเรากันเนี่ยที่ใจนายแยกแยะดูให้ถวถึงแล้วเราไม่มีมีแต่สมมุติตัวจริงไม่มีเหมือนเป็นอย่างนี้เราไม่มีหรอกไขาก้นก็ไม่มีแต่จกักในตัวอย่างไรเนี่ย อืน่นในตไปแจกไข่พอเป็นเหตุมันไปจากนี้มันเน่ไปจากอืน่นท่นจึงให้ทิจานะรณาเดือดตัวเองแต่คนที่สอบพิจเจานาะภายนอกท่านก็บอกไปดูอสุภาอาสุชังในต่าชาพิจารณานะ้นอมเข้ามาสู่ตัวเองแต่ผููถึงทิจเจณาเชืเองได้แต่นะต่อไปดูป่าชาที่อืน่นดูป่าชาในตัวกบพอ เห็นตามเป็นจริงแล้วทำกำหนัดยินดีมันหมดไปสิ้นไปเพราะเหตุใดเพราะสิ่งเหล่านั้นมันไม่มีอะไรที่นะ่าจะํำหนัดยินดีพอใจเอาเยอะประเภทต่างๆมันเลยสาบอะไรนะเป็นเรื่องของจิตแท้ๆอย่างไรเลว่วเสื่อนนั้นไม่รู้อะไรแต่จิตบ้าก็เลยทำให้ สวนอื่นเป็นบ้าไปตามแก่จิต ห, หายบ้าส่วนอื่นมันก็ปกติได้หมดจึงควรรักษาจึงควรปฏิบัติให้รู้เห็นเด่นชัดในเหลือยิ้งใสธรรมะสอนมนุษย์ในสอนสัตว์เราเป็นมนุษย์อยู่แล้วควรที่จะต้องรูปฏิบัติให้รู้เห็นการเป็นจริง พะไหนมีอะไรปิดบังนอกจากมีเวกปังหาของเราปิดบังตัวของเราเองธรรมะเป็นของสว่างสวัยอยู่ทุกการทุกเวลาธรรมะมีม า, ตาแต่ไหนแต่อะไรไในใต่เกิดวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้มีอยู่แต่ไหนแต่ไรมาแต่คนมาในนา ธรรมะมาที่เจริญนะนํามธรรมะมาแนะนตัวประวัติธรรมะไม่มีในโลกแต่มีในโลกของเขาคือในจิตของเขาจิตของเขาไม่รู้เห็นไม่เป็นอาจเป็นธรรมแล้วถึงจะแบกําลาง่วมที่สะของเขาจิตใจของเขากปไม่เห็นอะไรดีพิเศษขึ้น การขึ้นธรรมะจะต้องขึ้นเดียวกันประเพฤ่อปฏิบัติซึ่งเดียวกฤฤันที่นิพิจารณาอะไรที่จะทำใจให้สว่างสวัยให้เยือกเย็นแห้ละถอนความจิตท่องได้อันนั้นแหละเรี ย, ย, ยวกว่าธรรมะธรรมะเป็นเครื่องชำระซักอบจิตใจ หากนำมาใชคิดที่นิพิยรรายนาในทางธรรมะที่เหลือปัญหามันกลัวจิตดวงเดียวธาหาดัดเราคิดลงออกไปในด่านชั่วมันก็เศ้าหมองคิดคล้องกำหนัดเพลิดเพินถ้าเรามาพิจารณาด่านธรรมะจริงๆเคยัดคล่องกำหนัดยินดีต่างๆมันจะแก้ไข ลอยวางไปในตัวเพราะจิตมีดวงเดียวทําหน้าที่เดียวจากนั้นท่านจึงให้มีสติรักษาจิตในให้คิดกลุงไปในทางชั่วคิดปุงกว่าให้มีสติมีปัญญาตามรักษาแนะสอนเห็นอะไรได้ยินอะไรนำมาที่นิยพิจารณาสอนใจตัวเองแต่เวลา สต่เรายังไม่ดีปัญญาของเรายังไม่พอข้ามที่จะให้ฟุ่งซุ่งจิตนิไปทางนอกให้สังวรให้ละวังคือให้จิตรวมให้จิตนิ่งเมื่อจิตรวมจิตนิ่งได้แล้วจะออกไปดูไปคิดเรื่องอื่นมันก็เห็นตามสภาพความเป็นจริงได้ ถ้าคิดยังไม่รวมรวมเป็นสมาชิแล้วจะไปคิดติดตามเรื่องอื่น ม, มันตรงนอกอาจจะลุ่มหลงติดข้องตำหนักยินดีไปต่างๆแต่นั้นทางศาสนาผู้บวชมา่านจริงสอนกรรมฐานาทางห้าให้เพื่อให้อาวุธพูดไ ง, ไง่ายๆจะจะต่อสู้ เรื่องกิเลสกันหานั่นเองอย่างทชียร์ซาโลมานะขาทันตาเพราะทุกคนที่เกิดมาล้วนแต่มีที่เลสปัญหาติดมาแล้วทางนั้นมาอย่างนั้นมไม่เดยเกิดคนหมดที่เลสหมดภพหมดชาติจะมาเกิดทําไมนึ่มีเกิดกต้องมีที่เลสปัญหาติดมาทางนั้นที่เลสปัญหาที่จิตใจไปกลัวพันรุ่มหลงส่วนใจ เพื่อหลงอะไรพระพุทธเจา้าโดยวินศไฉวิเนิพิจารณาแล้วจึงบัญญัติให้อุปชายะแนะสอนคุณแล้วบวชผูกบวชโทมาในทางศาสนาให้สอนกรรมฐานเยสาโลมาหน้าขาทันตาแต่จบกส่งทั้งห่านี้แหละทำจิตใจของมนุษย์ในว่หาหญิงในว่าชายให้ห่มหลงเยสาเพื่อผม หาคนไม่มีผมเขาไม่ชอบกันเห็นเท่าเขาก็ไม่ลุ่มหลงผมไม่มีดังนั้นดังนี้หน้าเสียดหน้าตัวเขว่ากันไปเพราะการจึงถ้าหากที่เจนาไปด่านโลกมันก็ทําให้หลงให้ได้จริงจงผมมันดกมันดํามันทําแบแบนั้นแบบนี้ทําให้ลุ่มหลงคนเสียเงนินเสียทองมาชอบผม นับไม่ได้ไม่ว่าจะประเทศไทยประเทศนอกก็เหมือนกันเสียงเงินไปเดือนหนึ่งหนึ่งไม่าบว่ากี่ล้านเพราะการแต่งผมอยากให้มันสวยให้มันงามอย่างนั้นอย่างนี้คนขี้ตาไม่ดีตาผัวตาม่ผมไดเห็นนีริงๆเพราะในที่จะรายงาตามความเป็นจริงของผมผมมันเกิดขึ้นมาจากอะไรอะไรเป็นเหตุ หล่อเลี้ยงให้มันยาวออกมากลิ่นของมันเป็นอย่างไรถ้าหากเราไม่สระไม่ล้างในขณะที่เจริากันเมื่อตกหล่นออกมาจากที่สระเป็นอย่างไรเอาไปขึ้นไว้ที่นั่งคือนอนเป็นอย่างไรขึ้งใส่ชากันะอาหารเป็นอย่างไรดื่มเชียงเลี้ยกินได้ไหม ใช่คิดที่จนะหาทางสอนใจให้รู้ตามเป็นจริงจะไม่นนหลงในเรื่องของผมขนก็เหมือนกันก็เป็นประเทศเดียวกันกับผมแต่มันเกิดอยู่คนละที่ละฐานเดียขกันกับเหมือนกันยิงขนยิงลมผ้าะยิงไปกันใหญ่ตเกเงินไปอะไรเลยเหียดกัน แต่เมื่อหลงเพราะจิตไน่ได้อัทํามม่ ไ, มไที่เจนาตามเป็นจริงลดฟันโกงเสียเงินเสียทองไปราะเท่าไรในใจของเล่นเล่นหลงชั้นท่านจิตของเหล่านั้นแต่จกีกูลของเหล่านั้นเป็นของไม่สวยงามในใจของดีของดีแต่จิตที่มัวเมาเต่าฝัน โลกสมมติเขถือการอย่างนั้นโด้ในในเด็กที่เจรณ า, าตามจริงจริงหลงตามเขาวิ่งตามเขาจะตายตื่นตุ้งคิดไม่มีหลักเกณฑ์เป็นอย่างนั้นทางศาสนาธรรนที่สอนให้ที่เจรินาตามหลักเกณฑ์ของมันแต่มันเป็นอย่างไรกันแน่เลีเ้ยงพวกเราถ้าหากไม่ตับไม่แท้เป็นอย่างไรมันเสยียไหม มันก็เหมือนกันอาฝาขึ้นทางในะสาราสางแรงต่างจะบินม า, มาแมลงวันเป็นหมูเพราะเหตุไรมันหอ ม, มแมลงวันมันถึงชอบแต่มแมลงวันชอบมันหอ ม, มแมลงวันในตัวหอมคนนะคูอมีอันนี้ท่านที่เจอนะเห็นเป็นอาสุชานาสุพังเห็นตามเป็นจริงเราไม่หลง ว่าของเหล่านี้เป็นของประจิกูลหนังก็เหมือนกันถลกออกดูสิมันเป็นอย่างไรมันสวยไหมใครเอาจะทำรองเท้าเอาไปทำผ่านมะือีรนะนั่นไปทำกระเป๋าสีหนังคนยังตกหลนออกไปนิดๆหน่นอยๆเป็นบาดเป้นแถลแต่ยังน่าเกลียด น, น่ากลัวทำไมมเป็นอย่างนั้นแล้เกาหลงมันทำไม เราเป็นอย่างไรเ้าเป็นอย่างนั้นไม่มีอะไรที่จะแตกต่างกันหมดพิจนาแยบทายลงไปเต็นใจยอมจำนนเห็นเป็นจริงอย่างนั้นคามสำนัดในจิตในใจที่เรารูปนั้นเป็นอย่างนั้นสวยอย่างนี้มันก็หมดไปนี่อาวุธของอุบายาะให้ใจคงมสบายไปสถ า, านที่ใดรูปเสียงมีอยู่ในโลกเปิจริงแต่ จ, จิตไม่จิต ในเรื่องรูปเสียงเหล่านั้นมันก็สบายอะไรจะมาเป็นอันตรายแก่พรมจรรย์ทองสู่เดี๋ยวรักษาพรมาอาจรรย์งยเนี่ยมันมาเห็นการเป็นจริงอย่างนั้นท่านเอาอาวุธให้แล้เหนยใช้เอาแต่แก่อาวุธขอ้องเสียดันหาของตัวไปใช้ก็เลยต้องามตัวเองตายไปตายไปอยู่ไม่ได้คนไม่ไหวพอใจมันฟุ้งฟุ้งติดติดข้อง กับเรื่องโลกเรื่องนอกมันไม่เห็นตามเป็นจริงในข้ออัดข้ อ, อทำมันก็เลยอยู่เย็นเป็นสุขไม่ได้าแานที่ออกไปมันจะมีความสุขกายสุขใจยิ่งทุกข์มีทูนขึ้นเพราะความหลงของใจจะยิ่งท่ายต้ันกไม่ทันเรื่องของกิเลสปัญหา ต้องตัดมันามาการตัดว่าอาศัอายอยัดทำที่พระพุทธเจ้าแนะนสอนที่วิจารณนาภาพเหล่านั้นให้รู้เห็นตามเป็นจริงแล้วมันปล่อยเองวางเองมันไม่ยึดไม่ถือไม่จิตไม่ท่องม่ว่าตั้งใจรูปมนุษย์ธรรมดาหจิตใจที่ดังละเอียดข้ไปในการที่วิจะะารณาเรื่องรัาะคะ ทัานจะต้องกำหนดจิตใจนะรูปผิดใจเป็นข้าสึกตัตรูเพื่อตหนักยินดีมันจะเป็นอย่างไรจิตของเราจะคี้แทงไปแบบไหนจะมีความสงสัยจิตคล่องหรือไม่เมื่อจิตท่านมีกำลังท่านจะน้อมนำรูปต่างๆมาทดสอบคอยจับจิตจิตใจนั้นว่ามันยังอยู่หรือมันหมดไป ท่านทตสอบดูทุกสิ่งทุกอย่างนอกจากนั้นรูปมนุษย์ไม่มีทางสงสัยรูปเทพก็เกิดมีนิดกับจิตกับใจขึ้นบางครั้งบางหนอาจจะเกิดมีมิดปกเทศต่างๆนางฟ้าไะงามขนาดไหนซึ่งเราไม่เคยเห็น <c oughs> จะเกิดมาแต่อานาจเทวนาอํานาจของอัตธรรมจะเกิดขึ้นรูปมนุษย์ที่เราเคยเห็นว่าสวยงามอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าหากไปดูเรื่องรูปเทเสที่ผู้เทวนาท่านเจนท่า น, น, นเห็นจะไม่มีการติกข้องอะไรในรูปของมนุษย์เพราะรูปของเทเสสวยงามกว่ามนุษย์หลายแสนเท่า อย่างพระพุทธเจ้าพานันทาไปดูลูกพวกนางกส น, นีไปดูลูกสัดป่าต่างๆแล้วไปดูนางฟ้าถามนันทะยังไงนันทะจะในบทกรินยานีของเธอเหมือนนี่ไหมไปปุูดไปนางดีนางเส น, นีก็เสีย อ, อกเสียใจว่า พอพระเจ้าดูหมิน่นตัวอย่างนั้นอย่างนี้พอพัยดูนางเสือสอนนางฟ้าลืมหลงไปหมดจะได้เที่ยวหนึ่งส่วนหนึ่งของนางฟ้าไม่มีชนบทริยาณเหมือนนางลิงนางสนีมีผู้ที่เห็นในการภาวนาเกิดมีนิตรต่างๆขึ้นเรื่องของเทศยด ท่านคอใจว่าหมดไปแล้วเรื่องราคากัญหาในเรื่องมนุษย์ธรรมดาเดียสอบมาทุกเรื่องทุกอย่างใน ม, มีอะไรที่จะจับเรื่องของจิตได้ว่าจิตคล้องในรูปส่วนนั้นจะไปเจตกำหนดินดีในรูปแบบนั้นเมื่อไปเห็นพวกเทวด น, นอย่างไรท่านก็ทดสอบจิตใจอีกเหมือนกัน แล้วไม่มีอะไรที่จะสงสัยรารูปเกิดมาแล้วมันจะในรายควรมันจะในเปลี่ยนแปลงมันจะอย่งยืนคงท น, นรายรูปนั้นจะได้มีความปฏิกูลจะต้องมีเหนื้นกันท่านจึงในสิทไม่ห่วงไม่กำหนักในยินดี ไปสฐานที่ใดเมื่อใจเป็นอัดเป็นทำชาสุดแสนตูเป็นรูปเป็นเสียงมันก็หมดไปาอใจท่านไม่ติดข้องถึงสิ่งเหล่านั้นจะยังคงเส้นคงวาอยู่ทั่วดินฟ้าอากาศตัวตาแต่ท่านก็อยู่สบายแต่เมื่อกิตของเราเกิดตำหนัดยินดีเกิดที่เดือด์ปัญหายังมีของจิตในใจไปสฐานที่ใดก็ไปเถอะ ไปในป่าในเขาไหวจะมีมีอะไรจะให้จิตใจกำหนัดยินดีมันตัวเกลือบ้าเกิดอบบอเพราะมันขึ้นเองเพราจิตมันมีคิดมีไพรจิตใจทั้งคนไม่ผ่องใสบริสุทธิเลยหาความสุขความสบายไม่ได้ไปสถานที่ใดสักนึ่ที่นั้นเพราจิตมันไม่ปกติ เราจะหนีเดือยใจยังสุกจิตปรโมใจทั้งตัวให้สงบให้เยือกเย็นนำอาวุธที่พระพุทธเจ้าหรืออุปัายาสอนมาที่นิพิจารณาเพื่อถอดถอนที่เลือดปัญหาแก้ไขจิตใจที่ลุ่มหลงให้ต่างฟางให้เบาสบายแลวพวกเราทั้งหลายที่เป็นสมณะที่เป็นพระนักปฏิบัติก็จะสมชื่ว่าเราเป็นนักปฏิบัติจ เป็นท้าทีน้าปราบหน้าไหาว้หน้าบูชาในตัวเองตัวเองเดือมใสในความเป็นไปของตัว